ธรรมหรือคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยมีมากมายหลายประการแล้วก็จุดเน่นก็แตกต่างกันไปลักษณะของธรรมก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนะกคำสอนบางส่วนก็เป็นเรื่องของสัจธรรมความจรงิงบางส่วนก็เป็นเรื่องของกรอพึงประพฤติปฏิบัติซึ่งก็มีมากมายบางคนศึกษาแล้วก็สับสนจับหลักไม่ถูก ที่จริงเนี่ยมันก็มีหลักอยู่นะอย่างจากพุทธทาสเนี่ยท่านท่านสรุปไว้น่าสนใจนะว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมีสองส่วนส่วนหนึ่งท่านใช้คำว่าขังค้อตัวผู้หมายคือนำคนเข้าข้อท่าใช้คำว่าขังคอกฟังเข้าใจง่ายดีอีกส่วนหนึ่งก็ ต้งใจครัว่าชี้ทางให้บินไป2ประการนี้ดูเผลินก็ขัดแย้งกันนะขังข้อคือว่าทําใหนะ้ไม่เป็นอิสระขณะที่ชี้ทา้ายบินไปเนี่ยมันก็คือการทําให้เป็นอิสระแต่ที่จริงแล้วเนี่ยทั้ง2 ส, ส่วนนี้ก็สัมพันธ์กันและเอื้อเฟื้อเกื้อกูน ก, ก, ก, ก, ก, กันก็ว่าขังข้อนี่ ท่านก็นหมายถึงการทำให้คนเนี่ยอยู่ในกรอบของศีลธรรมคำสอนของพุทธศาสนานี่ส่วนก็ปเป็นเรื่องของศีเลเรื่องของธรรมหรือว่ารเรียกศีลธรรมคนเราเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมซึ่งความหมายก็มากกว่าศีลห้าเพราะว่าถ้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมเนี่ยมันก็ทาให นอกจากไม่ไปเบียดเบียนใครเพราะมีศีลคอยเหนียวคอยรังไว้มันยังเป็นเครื่องที่ช่วยป้องกันความทุกข์นะความเดือดเนื้อร้อนใจเลยเพราะคนเราถ้าไม่มีหรือไม่อยู่ในกรอบศีลธรรมเนี่ยมันก็ง่ายที่จะทำตามอำนาจของกิเลส สุดแท้แต่ว่ากิเลสไม่่อจะเป็นโลภะโทสะโมหะมันจะพาไปไอ้คอกเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อความปลอดภัยนะของสัตว์ที่อยู่ในคอกจะมีเสือจะมีสัตว์ร้ายมาทำร้ายก็ทำได้ยากเพราะมีคอกมันไม่ใช่ เ, เพียงแค่สิ่งที่คอย กีดขวางไม่ให้ออกไปเพ่นพ่านเป็นอิสระแต่ว่ามันยังคอยป้องกันอันตรายจากภายนอกและนี้ก็คือหน้าที่ของอศิลธรรมเนี่ยนั่นจะเห็นได้ว่าเนี่ยคำสอนพระเจ้าเนี่ยหลายประการก็เป็นไปเพื่อนเนี่ย อย่างเช่นโอวาทปาิมโมกที่เราเพึ่งสวยกันเนี่ยการไม่ทำบาปทั้งปวงก็ททำกุศลได้ถึงพร้อมเนี่ยมันก็จัดอยู่ในหมวดนี้แหละนะเรียกว่าขังข้อตรวนั้งคำสอนเกี่ยวกับสัจธรรมเช่นกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเนี่ยนะมันก็เป็นคำสอนว่าโดยสัจธรรมความจริงซึ่งก็มีความหมายว่าถ้าเราอยากจะ มีความสุขมีชีวิตที่ดีงามเราก็ต้องหมั่นทำกรรมดีเราเว้นความชั่วเพราะถ้าเรากืนทำชั่วผิดศีลก็จะต้องประสบเคราะห์หรือประสบความยากลำบาก <c oughs> เรียกว่าวิบากมันเล่นงานออแต่ว่านอกจาก ทมที่ท่านอาจารย์พุทธะชี้ก็ว่าขังข้อแล้วมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะชี้ทางให้บินไปก็หมายถึงคำสอนเกี่ยวกับการฝึกจิตให้รู้จักปล่อยรู้จักวางว่าถ้าคนเราเนี่ยยึดติดถือมั่นแม้กระทั่งศีลแม้กระทั่งความดีมันก็เกิดความทุกข์ได้ คนเราเนี่ยจะเป็นอิสระนะจากกิเลสจากความทุกข์มันต้องรู้จักการปล่อยการวางซึ่งก็หมายถึงการที่เรามีความเข้าใจในเรื่องสัจธรรมความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหลักธรรมเรื่องไตรลักษณ์เนี่ย ก็เป็นสัจธรรมความจริงที่เอื้อให้เกิดการเป็นอิสระจากความทุกข์หรือว่าคาสอนหรือธรรมะเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เช่นเดียวกันนะังหมดนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการชี้ทางให้เป็นอิสระนะเหมือนกับติดปีกให้บินไปได้ในการที่ผู้เจ้าสอนเรื่องความสำคัญของศีล พระองค์ก็เตือนนะว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในศีลนะศีลปัตตุภาทานอุปทานในศีลอยึดมั่นในศีลก็เป็นอุปสรรคหรือสิ่งขัดขวางการที่คนเราเนี่ยจะเข้าถึงความสงบเย็ออย่างแท้จริงหรือเป็นอิสระจากความทุกขนะ์กิริสระนี้มันไม่ใช่อิสระเฉยๆนะมันคืออิสระจากความทุกข์ เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแม้กระทั่งในศีลนะหรือว่าความดีเพราะนั้นเนี่ยในวาทปาติโมเนี่ยอกจากสองข้อแรกนะคือการไม่ทำบาบทั้งปวงการทำกุศลอยถึงพร้อมแล้วก็ยังมีข้อที่สามคือการชำระจิตของตงนให้ขาวรอดซึ่งความหมายสูงสุด ก, ก็คือการฝนะึกจิตให้เกิดปัญญา จนระหว่างไม่มีความยึดติดถือมั่นเข้าสู่สภาวะที่ถ้าจ่าผู้ท่าใช้คําว่าจิตว่างคําสอนเนี่ยที่ท่าจ่าผู้ท่าช้คำ ว, ว่าขังข้อนี้ก็เป็นเรื่องของโลกียธรรมเรื่องของศีลธรรมแต่ว่าคําสอนส่วนที่2เนี่ยคือการชี้ทางให้บินไปเนี่ยก็เป็นคําสอนเกี่ยวเรื่องโล ก, กุตรธรรมปรมัตทธรรม ซึ่งถ้าเข้าถึงความจริงเนี่ยชนิดนี้เนี่ยนะปรมัตธรรมเนี่ยมันก็เรียกว่าเหนือดีเหนือชั่วเหนือกรรมไม่ว่ากรรมดำกรรมขาวไปพ้นจากความยึดมั่นในสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขานีไม่มีเราไม่มีเขาอันนี้เป็นสังแา้จริงซึ่งถ้าเราดูเผยเผยมันก็ดูขัดแย้งกันนะ การขังคอกเนี่ยกับการชี้ทางให้บินไปเนี่ยแต่นี่ก็เป็นจะเรียกว่าเอกลักษณ์นะหรืออัตลักษณ์ของพุทธศาสนาก็ได้ก็คือว่าสิ่งที่ดูเหมือนขัดแย้งกันเนี่ยที่จริงมันมันอยู่ด้วยกันมันเสริมกันทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับผู้ฟังหรือผู้ที่ ปฏิบัติด้วยอย่างถ้าอาจารย์วิทัศน์ทบอกเนี่ยคำสอนเรื่องขังข้อเนี่ยมันเหมาะสำหรับสัตว์ที่ยังยังอ่อนยังอ่อนในเรื่องของอินทรีย์ยังไม่ค่อยได้มีาการปฏิบัติถ้ายังไม่มีการปฏิบัติยังอ่อนในธรรมะนี่ก็ต้องมีศีลมีธรรมเอาไว้ก่อน ส่วนสัตว์ที่มีความแก่กล้าในทางธรรมเนี่ยหรือว่าสามารถฝึกตนจนกระทั่งศีลธรรมมันอยู่กับเนื้อกับตัวสามารถที่จ ะ, ะลดละกิเลสให้เบาบางได้ถึงตอนนั้นแหละน ะ, ะจึงค่อยมาเรียนรู้เรื่องการปล่อยวางและรู้จักปล่อยวางแม้กระทั่งศีลแม้กระทั่งธรรมแม้กระทั่งความดีนะ แต่ไม่ใช่ว่าปล่อยวางแล้วก็จะทําอะไรตามใจชอบไม่ใช่เพราะาผู้ที่ฝึกตนไว้ดีแล้วเนียนะมันก็จะมีหลักและยิ่งฝึ ก, กจิตให้มีปัญญามันก็รู้เลยนะว่ามันก็ไม่เปิดช่องให้ตัวกิเลสเข้ามาครอบงําเรียกว่าที่ตั้งของกิเลสมันไม่เหลือแล้วก็ได้เพราะว่าทําลายซึ่งความยึด มั่นถือมั่นในตัวตนเพราะฉะนั้นเนี่ยทำสองข้อเนี่ยนะขังข้อก็ดีชี้ทางให้บินไปก็ดีมันไม่ได้ขัดแย้งกันเพียงแต่ว่ามันเหมาะกับคนบางประเภทที่แตกต่างกันแล้วเราจะพบได้นะว่ามันจะมีคําสอนที่ดูมันขัดแย้งกันเนี่ยนะอยู่เนืองๆ น, นะเวลาเราอ่าน พระไตรปิดกหรือว่าอ่านหรือได้ฟังคำสอนพุทธเจ้าเช่นในบางที่ท่านก็สอนเรื่องหรือเน้นเรื่องอนัตตาการไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่าในบางที่ท่านก็พูดถึงเรื่องของตัวตนเพราะฉะนั้นบุคคลผู้รักตนหวังเฉพาะคุณเบื้องสูง เมื่อเราลึกได้ถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จงทําความเคารพพระธรรมอันนี้ก็เป็นข้อความที่เราสวดอยู่บ่อยๆนะบุคคลผู้รักตนนะบางคนั้งสงสัยอ้าวมันไม่มีตัวตนไม่ใช่เหรอแล้วทําไมรักตนได้อย่างไรบางทีท่านก็สอนตนเป็นที่มือแห่งตนหรือบางทีท่านก็สอนว่าบัณฑิตย่อมฝึกตนอ้าวไม่มีตัวตนแล้วมาฝึกตนได้อย่างไร อันนี้เพราะก็เพราะว่าท่านสอนโดยเน้นเรื่องของการทําความดีเป็นการสอนในระดับจริยธรรมเวลาท่านสอนในระดับจริยธรรมหรือโลกยศธรรมเนี่ยมันก็จะต้องเน้นเรื่องของความดีนะทำความดีแล้วเว้นความชั่วตรงนี้ที่พระเจ้าเนี่ยจะ พูดนะถึงเรื่องของบุคคลพึงรอกตนบุคคลไม่ควรเบียดเบียนตนต้องรู้จักประโยชน์ตนประโยชน์ท่านะจะมีคาว่าตนนีเยอะไปหมดนะการเป็นที่พึ่งของตนแต่และคนมีการเป็นของตนบางคนเนี่ยที่ที่ให้ความสำคัญกับคำสอนเรื่องอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ชตนะของพุทธศาสนาเนี่ย บางทีก็รู้สึกขัดหูขัดตานะว่าทำไมมันมีคำสอนเรื่องตัวตนเยอะเหลือเกินบัณฑิตพึงฝึกตนบุคคลควรรักตนอะไรเงี้ยบางทีก็เลยคิดไปว่าเนี่ยสงสัยมันเป็นคำสอนที่สอดแทรกเข้ามาจากที่อื่นไม่ใช่พุทธพจน์ละมั่งนะอันนี้เพราะว่าไปคิดว่าเนี่ยพเจ้าจ พระจารย์จะสอนแต่เรื่องอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีตัวตนอย่างเดียวที่พระเจ้าสอนเนี่ยนะเรื่องตัวตนเรื่องรักตนเรื่องฝึกตนเนี่ยก็อยู่ในเรื่องเดียวกับการเรื่องเดียวกับคำสอนเรื่องขังข้ออย่างที่ท่านอาจารพุทธาบ่านั่นเองก็คือว่าให้คนอยู่ในกรอบของคุณธรรมอยู่ในกรอบของความดี ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของโลกียธรรมคำว่าโลกียธรรมนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของโลกีอย่างที่เราเข้าใจนะโลกี ย, ยธรรมหมถึงคาสอนเกี่ยวเรื่องความดีที่ยังเกี่ยวข้องกับโลกนะเพราะโลกนี้ไมต้องมีเรื่องของคุณธรรมศีลธรรมวัฒนธรรมเรื่องของสมมุตินั่นะต่ที่เราจะ ถ้าเราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างผาสุกในระดับโลกยศธรรมก็ต้องทําความดียึดมั่นในความดีแล้วการยึดมั่นในความดีก็ต้องส่วนหนึ่งพระเจ้าก็ใช้วิธีนะพูดถึงเรื่องการรักตนการฝึกตนการไม่เบียดเบียนตนเพื่อคนจะได้อยู่ในกรอบของศีลธรรมแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนเราก็ต้องพัฒนา จากเรื่องของโลกเกียธรรมก็ไปสู่โลกุตรธรรมจากเรื่อ ง, องการทำความดีก็เป็นเรื่อ ง, องการทำจิตให้รู้จักปล่อยรู้จักวางอันนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะไม่สับสนเราจะไม่งงงว่าทำไมผู้เจ้าสอนไม่เหมือนกัน ตรงนี้สอนเรื่องอ น, นัตตาแต่ตรงนั่นไปสอนเรื่องเรื่องตัวตนนะส่วนนั้นก็เพราะคนฟังแตกต่างกันด้วยนะอย่างเรื่องความดีเนี่ยนะพรเจ้าก็ไม่มีควรจะเป็นต้องสอนคนอย่างปัญจวัคคีย์แล้วล่ะระดับปัญจวัคคีย์ไม่ต้องสอนแล้วนะเรื่องความดีแต่ท่านสอนให้ไปพ้นความดีด้วยนั่นแหละนะ ปัญจวัคคีย์จึงบรรลุอรัตถผลเพราะว่าท่านเข้าใจนะว่าไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต น, นอนันตลักษณะสูตรนี่ก็เป็นเรื่องนี้โดยตรงเลยไม่มีเรื่องของความดีไม่มีเรื่องของศีลเลยนะมีแต่เรื่องของสัจธรรมล้วนๆและเป็นสัจธรรมในระดับโลกุตต ร, รธรรม เพื่อไม่ให้ยึดมั่นในในขันไม่ให้ยึดมั่นในตัวตนไม่ให้ยึดมันม่นแม้ทั้งในสิ่งที่เราทีดสมมติว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้แหละที่ทําให้จิตเป็นอิสระที่ท้าอาจารย์พระราชาใช้คําว่าเนี่ยชี้ทางให้บินไปหรือว่าติดปีกให้ทีแรกก็ขังข้อก่อนหรือว่าพาตัวให้อยู่ในข้อเพื่อความปลอดภัย แล้วก็เพื่อได้ไม่ไปเกลเกมาเรเกเลไปก่อความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้ใครอยู่ในคอกซะแล้วก็จะได้ไม่มีสัตว์ร้ายมาทาอันตรายแต่พออยู่ในคอกแล้วเนี่ยต่อไปก็ต้องรู้จักติดปีให้เป็นอิสระนี่คือจุดหมายสูงสุดนะของพุทธศาสนางั้นถ้าเรเข้าใจเนี่ยว่าคาสอนของพูเจ้าเนี่ยมันมีสองส่วนที่ ดูเหมือนขัดแย้งกันแต่ที่จริงไม่ใช่แต่ว่าเสริมกันเรื่องก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องสอนเรื่องอนัตตาที่หนึ่งจะสอนเรื่องอการรักตนการฝึกตนในสมการฝึกจิตเนี่ยนะบางแห่งท่านก็สอนให้รู้จักข่มใจให้รู้จักข่มใจนะให้รู้จักหักห้ามใจแต่ว่าใน บางที่ท่านก็สอนให้แค่ดูจิตหรือว่าแค่รู้ทันความเป็นไปของจิตอันนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเรื่องกรรมฐานดยภวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านจะให้น้ำหนักตรงนี้มากในระดับของครูสอนศีลธรรมท่านก็จะสอนมาให้รู้จักข่มใจหักห้ามความโกรธ รู้จักอดกลั้นต่อความความโลกนะครูสอนเสื้อธรรมจะสอนแบบนี้แต่พอมาทำกรรมฐานโดยเฉพาะระดับที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านจะไม่สอนอย่างนั้นแล้วละ่ะท่านจะสอนว่าเนี่ยเาก็ก็ให้ดูหรือว่าให้รู้นะว่าจิตมันเป็นยังไงอย่างที่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อก็เขียนใช้ไหมว่ารู้ซื่ อ, อหรือเห็นอย่างเขาเป็นทันท่านจะสอนอย่างนั้นแหละ เรื่งที่หลวงพ่อชาท่านตอบลูกศิษย์นะลูกศิษย์ถามว่าเนี่ยเวลาภาวนาจิตมันฟุ้งตะเตินนั่งสมาธิยังไงจิตจึงจะสงบท่านก็บอกว่าเนี่ยตะเติดก็ช่างมันเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดคิดไปเองท่านไม่สอนให้ไปบังคับจิตเลยนะแม้ว่าในบางที่ท่านจะสอนว่าเนี่ยอยส่งจิตออกนอกนะ ถ้ารู้จักหักห้ามใจอันนั้นก็สำหรับนะคนประเภทหนึ่งคนที่ชอบปล่อยใจไปต า, นาอนากินเลนไม่รู้จักดูจิตไม่รู้จักบังคับใจเนี่ยเขาก็จะสอนแบบ น, นั้นแหละก็จัดอยู่ในฝ่ายเพ่ว่าปฏิบัติธรรมเพื่อหรือใช้ธรรมเพื่อการล้อมคอกหรือขังคอกเอาไว้ จะให้อยู่ในศีลในธรรมเพราะถ้าไม่ไม่ข่มใจนะไม่หักห้ามใจแล้วมันก็อาจจะไปทะเลาะเบาแวงวิวาดกับคนอื่นด้วยความโกรธหรือบางทีก็ทํำร้ายกันตีอกอ่ะตีลานฟันแทงกันว่าีตีลานฟันแทงเนี่ยก็เพราะไม่รู้จักหักห้ามใจไม่รู้จักน ะ, ะกดขม่มความโกรธ หรือพวกที่ไปลักขโมยไปชําเราผู้อื่นเนี่ยพวกนี้ก็เรียกว่าพาะไม่รู้จักหักห้ามใจนะในส่วนที่เป็นกิเลสตัณหาแต่สาวคนที่เขาคล่องตัวเอาไว้ดีแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้เขาไม่ไปยุ่งละไม่ทำละหรือว่าไม่เผลอทาอยู่ บ, บ่อยๆก็จะมานในเรื่องการรู้ทัน นะอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันจะคิดอะไรก็ไม่ไม่ห้ามมันแต่ก็ไม่ได้ไหลไปตามมันมีความกลัวเกิดขึ้นก็ไม่กดข่มมันแต่ก็ไม่ไหลไปตามความโกรธก็แค่ดูมันเฉยๆอันนี้มันเป็นการปฏิบัติของอผู้ฝ่ายทำในระดับหนึ่ง ถ้าจะพูดว่าการกดข่มบังคับจิตมันเป็นธรรมะของคนระดับอนุบาลประถมนะหรือมัธยมเนี่ยไอการที่ดูจิตนะไม่ไปบังคับจิตไม่ว่าแม้จิตมันจะฟุ้งแม่จิตมันจะแสสายก็ไม่ไปบังคับมันอย่างที่หลวงพ่อชาชมล ต่ลยก็ช่างมันเรืออ่องที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าอย่าไปห้ามคิดนะมันคิดก็คิดไปแต่อย่าไปคิดกับมันนะอันนี้ก็เพื่อฝึกให้นะให้รู้จักเป็นอิสระจากความคิดและอารมณ์ซึ่งต่อไปเนี่ยมันจะไม่เพียงแต่ช่วยทําให้อารมณ์พวกนี้ครอบครองใจได้ยากแต่ยังทําให้ได้เห็นธรรมชาติของจิต ธรรมชาติของอารมณ์ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วก็มันไม่ใช่เราความคิดก็ไม่ใช่เราอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราแม้กระทั่งเสียงตำหนีพ่อแม่เสียงจ่วงจากพระพุทธเจ้าที่ดังอยู่ในหัวมันก็ไม่ใช่เสียงของเราอย่าไปทุกข์ร้อนกับเสียงนั้นก็แค่รับรู้เฉยๆอันนี้ก็ทำให้นะ จิตเป็นอิสระได้ในที่สุดคือสระเพราะเข้าใจในเรื่องของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตามันก็เข้าอยู่ในหมวดของที่ท่านอาจารย์ผูช้ชาญครับว่าเนี่ยชี้ทางให้บินไปหรือว่าติดปีให้เป็นอิสระเพราะแล้วเนี่ยมันก็ไม่ขัดแย้งกันนะครูบาอาจารย์บางท่านท่านบอกให้ข่มใจให้หักห้ามใจให้กดขม่มอารมณ์แต่ครูบาอาจารย์บางท่านหรือในบางเ ห, หรือท่านเดียวกันในบางครั้งท่านสอนก็ว่า ก็แค่ดูมันเฉยๆกิเลสเกิดขึ้นก็อย่าเป็นหนีมันนะก็ให้รู้ทันมันนะอย่างที่หลวงพ่อชาใช่าหมคว่าเนี่ยเมื่อมีกิเลส ก, ก็ก็ให้รู้ทันมันอยู่กับมันด้วยสติหรืออย่างมีสตินะเหมือนน้ำกับใบบัว น, น้ำนี่มันก็แทรก ใบบัวหรือทำให้ใบบัวแปดเปื้อนไม่ได้แทนที่จะในขณะที่บางท่านบางที่นก็สอนให้ราวีกับกินเลดแต่ว่าหลวงพ่อาชาเนี่ยในบางครั้งบางที่ท่านก็บอกว่าเียก็ไม่ต้องไปสู้กับมันหรอกแค่รับรู้หรือ ร, ร, รู้ทันมันอยู่กับมันนะด้วยสติเหมือนน้ากับใบ บ, บัวไม่ได้ขัดแย้งกันหรอกนะเพียงแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่เหมาะกับคนบางระดับ เวลาเร า, าฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือของครูบาอาจารย์เนี่ยก็ต้องรู้จักแยกแยะด้วยนะว่าท่านพูดกับใครหรือว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรแม้กระทั่งคําสอนเกี่ยวเรื่องทุกข์นะพระพุทธเจ้านี่พูดถึงทุกข์มากนะในบทสวดบนตอนช้านี่พูดถึงทุกข์เยอะเหลือเกินการเกิดก็เป็นทุกข์นะความแก่ก็เป็นทุกข์ ความโศกความเลื่อมไหล่ลำพัน์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขาัดแย้งใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งประสบ ก, กับสิ่งที่ไม่ผิดพลาดจากสิ่งที่เราที่พอใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่เราที่ไม่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พูดถึงทุกข์เยอะเหลือเกินจนทั้งคนไปเข้าใจพุทธศาสนานี้เป็นพวกทุกนิยมที่ที่ท่านสอนทุกเนี่ย สำหรับคนที่เพลินในความสุขซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่คนที่ยังเพลินในความสุขเพลินในเพลินในความหนุ่มความสาวเพลินในความไม่มีโรคเพลินในครอบครัวเพลินในทรัพย์เนี่ยท่านจะพูดเรื่องทุกข์เอาไว้เยอะเพื่อไม่ให้หลงนะไม่ให้เพลินกับทรัพย์ไม่ให้เพลินกับสุขภาพไม่ให้เพลินกับชีวิตแต่ว่าสคนที่มีความทุกข์อยู่แล้วนี่ ท่านก็จะสอนอีกแบบหนึ่งนะสอนว่าเนี่ยอย่าไปจมอยู่ในทุกข์นะท่านสอนมากระทั่งว่าเนี่ยให้รู้จักหาสุขท่ามกลางทุกข์อย่างที่ตัดว่าเนี่ยผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบผู้ผู้อย่างนี้คือว่าสำหรับคนที่เพลินในความสุขผู้เจ้าสอนให้มองลบนะให้เห็นว่าไอ้ที่มีเนี่ยมันทุกข์ทั้งนั้นแต่คนที่ย่ําแย่เป็นทุกข์อยู่แล้วท่านให้รู้จักให้มองบวกว่ามันไม่ได้ทุกข์ไปทั้งหมดนะมันก็มีสุขต้องรู้จักหาสุขท่ามกลางทุกข์ ยังจะว่าไปในแง่ของผู้จ้าก็มองลบนะอันนี้สําหรับอันนี้เป็นเปนระยชน์สหรับคนที่เพลินในสุขเพลินในโลกแต่สองคนที่มีความทุกข์แล้วผู้จ้าสอนใ ห, ให้รู้จักมองบวกว่าในทุกเนี่ยมันมีสุขอยู่ให้รู้จักนะหาสุขท่ามกลางความทุกข์หรือให้เห็นว่าทุกนี่มันสามารถจะทําให้เกิดโพธิได้ถ้ารู้จักทุกเห็นทุกก็พ้นทุกนะอย่างที่หลวงพ่อ คำเขียนท่านว่าอันนี้เราต้องเข้าใจถ้าเขาจะจับหลักนี้ได้เนี่ยการศึกษาและการปฏิบัติในปรวัติธรรมในพุนทธศ า, าสนามันจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากหรือชวนสับสนจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกถูกเวลาถูกกรณีแล้วก็ถูกกับกลุ่มคนด้วย